พิธีมาคะบูชาแต่ว่าบังเอิญปีนี้มันแปดสองหนก็ต้องได้เลื่อนไปเดือนสี่แพ่นต้องเลื่อนมาคะบูชาไปเดือนสี่แพ่นเดือนสี่แพนนี่เป็นกลางเดือน วันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่คล้ายกับวันที่พระศาสดาได้ทรงปรงพระชนมายุสังขารก็ให้พากันน้อมนึกถึงพระโอวาทย่อยๆของพระองค์ซึ่งพระองค์ แกพิกษุสองพันห้าร้อยรูปตั้งแต่ครั้งนั้นพระโอวาทโดยย่อที่ทรงแสดงนั้นก็ทรงสั่งสอนให้ละความชั่วทำความดีแล้วก็ชำระจิตใจให้ ของใสสะอาดจากกิเลสบาปประธรรมทั้งหลายอันนี้เป็นโอวาทยียวยอโอวาทสึกที่เป็นจนวนมากมากนั่นก็มารวมลงในโอวาทยาสามอย่างนี้เองนะไอที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะหลาย เรื่องหลายรถอันหมูนั้นนะความมุ่งหมายแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั่นได้มาพิจารณาตัวเองว่าความชั่วมีในตัวของตนอย่างไรบ้างเมื่อได้ทราบคำสอนของพระพุทธองค์แล้วนะแล้วก็มาพิจารณาดูว่า ความชั่วที่พระศ า, าตราทรงแสดงไว้นั้นนะตนได้ละแล้วหรือยังหรือว่ายังทาอยู่นี่แหละทรงพระประสงค์จะให้มาสำรวจตรว จ, ต ร, วจตราดูตนของตนเองนี่ให้รู้ให้เข้าใจให้รู้เรื่องของตัวเองหมายเขาว่าอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าบาปอย่างนี้อย่างนี้ตนได้ละมาแล้ว อย่างนี้ยังไม่ได้ละอย่างนี้ก็จะได้ละบาปที่มันยังหลงเหลืออยู่นั้นให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วกุศลคุณงามความดีอะไรที่ตนยังไม่ได้ทำก็ดีหรือว่าทำมาแล้วก็ดีก็ต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นส่วนใดที่ยังไม่ได้ทำ ก็จะได้พยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเรายังไม่ได้ทำส่วนใดที่ทำมาแล้วก็จะได้พยายามรักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมอันนี้แหละความมุ่งหมายของโอวาทยอะๆอันนั้นนะในวันนี้การที่ บุคคลจะมาละความชั่วทำความดีได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงจิตดวงเดียวนี้หากว่ า, วาบุคคลไม่ฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิลงไปเช่นนี้มันก็ยากที่มันจะมีกำลังใจมาละความชั่วแล้วก็ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ ดังนั้นแหล ะ, ใ น, ะในพระโอวาทย่อๆสามข้อนั้นข้อสุดท้ายจึงว่าการฝึกผลอารมณ์จิตให้ผ่องใสสะอาดนี่นับว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตัดสู้ในโลกนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่า ไม่ว่าคนในยุคใดสมัยใดในกับใดกันใดก็ตามที่ล่วงมาแล้วก็ดีหรือที่จะเกิดต่อไปเบื้องหน้าก็ดีก็รล้วนตั้งแต่มีกิเลสตัณหาอาวิชชา ต, ต่างๆมูนี้แหละปิดตามมาตกแต่งอัจภาพร่างกายนี้ให้ มันเงได้เกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้ขึ้นมาเรียกว่าพูดง่ายๆว่าอาวิชชาตันหานั่นแหละมันปั่นจิตใจของคนเราให้จิตนี้ใช้กายทำใช้วาจาพูดดีบ้างชั่วบ้างสลับกันไปอย่างนี้ตกลงว่าคนห น, หนึ่งที่ท่องทเที่ยวมาในสงสารเนี่ย เมื่อยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจจะทำแล้วมันก็ทำทั้งกรรมดีทำทั้งกรรมชั่วพร้อมกันมาบางคนก็บางชาติก็ทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วก็มีทีนี้บางชาติก็อาจจะทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีก็มีมันจับคานาไม่ได้เลยชีวิตของมนุษย์เรานะทั้งนี้ก็เพราะว่า มันยังไม่มีปัญญายังไม่มีความรู้ความฉลาดยังไม่ได้อบรมจิตใจให้สงบระงับให้ตั้งมัน่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเราว่าเป็นจิตสามัญธรรมดาทั่วๆไปแบบนี้มันก็เกี่ยวกับการสังคมกันอีกด้วยแบบนี้นะการขบอหาสมาคม บางชาติที่เกิดมาบังเอิญได้มาได้คบกับคนพาลเข้าไปคนพาลก็ชักจูงให้ไปกระทำความชั่วเช่นนี้มากกว่าการกระทำความดีหลังจากหมดอายุสังขารแล้วกรรมชั่วนั้นมันก็นำไปสู่ทุกในอาบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมินึงมีนรกเป็นตน้น บางชาติเกิดมาในโลกนี้แล้วได้มาพบกับนักปราบบัณฑิตได้สมาคมกับนักปราบบัณฑิตนักปราบท่นนานก็จะแนะนําให้แต่ทําทแต่ความดีทางใดเป็นทางแห่งความชั่วท่านก็จะแนะนําให้ละให้เว้นไปเมื่อได้ปฏิบัติตามโอวาทของนักปราบนั้นแล้วผู้นั้นก็จะได้ มีบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของตนมากกว่าบาปในชาตินั้น่ะเรียกว่าเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลให้ได้มากกว่าบาปเมื่อหมดอายุสังขารแล้วบุญกุศลนั้นก็จะนําดวงขีดที่ไปเกิดในที่มีความสุขความสบายไปถ้าเกิดมาเป็นคนก็เรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์โดยลาบยศสนเสริญ มีอายุยืนยาวนานมีผิวพัธุ์ผ่องใสมีสติปัญญาดีกระด้วยอานิสงส์ที่ได้คบหาสมาคมกับคนดีคนดีแนะนำให้กระทำความดีได้หลายอย่างอานิสงส์อันนั้นเนี่ยมันติดตามมาตกแต่งให้อย่างผู้ที่ได้มีศรัทธาเข้ามาบทเรียนในพุทธศาสนาอย่างนี้ ก็เข้าใจว่าแต่ก่อนนั้นก็คงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามาถ้าไม่ได้ออกบวชก็ได้รักษาศีลอุบโบสถการรักษาศีลอุบโบสถเสมอไปนี่ท่านว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เกิดปชาติต่อไปนั้นก็จะได้บวชเรียนเขียนอ่านในพุทธศาสนา เดี๋ยวว่าใจน้อมไปในข่มมัคบา ร, รมีเพราะว่าการรักษาอุโบสถศีล น, นี่มันเป็นการเว้นจากความเพลิดเพลินมัวเมาในกรร ม, มคุณทั้งหลายมีแต่ใจน้อมไปสู่ความสงบระงับข้อบัญญัติในอุโบสในศีลอุโบสถแปดประการนั้นนะในสามข้อตอนปลายนะั้น การ้วนตั้งแต่เป็นข้อบัญญัติห้ามเพลิดเพลินในการมาคุณทั้งนั้นเลยแล่เพราะฉะนั้นแหละอาเนสงแห่งการรักษาวโวสตรีมันจึงส่งให้ให้มีจิตใจน้อมไปในทางบวชเบื่อหน่ายในการครองเรือนถ้าว่าผูใ้ใด ไม่คิดว่าจะรักษาสินโหสดเลยสำหรับผู้คลองเรือนเนี่ยว่าอย่างมีก็มีแค่สินห้าเท่านั้นเมื่อเกิดไปชาติใดพบใดก็จะเป็นผู้คลองเรือนอยู่นั้นเลยไม่คิดที่จะออกบวชเพราะไม่มีบุญกุศลอันสูงกวัวนั้นมากัด ตุ้นเตือนใจให้คิดน้อมไปในทางเนกข ม, มะบารมีดังกล่าวนั้นก็ได้ครองเรือนอยู่นั้นจนตลอดชีวิตอ่ามันเรียวกว่าบุญกรรมนี่ยุติธรรมมากทีเดียวแหละผู้ใดทำบุญกุศลประเภทใดบุญกุศลประเภทนั่นมันก็ทำหน้าที่ของมันไปตามประเภทของบุญนั่นแหละ ผู้เคยเป็นนักบวชมาแต่กอนเอาเกิดมาชาตินี้ก็พอใจในการบวช อ, อย่างนั้นแนหะผู้ที่ชอบใจในการคลองเรือนมาตะกอนเกิดมาชาตินี้มันก็มาพอใจในการคลองเรือนผูกพันอยู่กับเรือนได้ทําบุญทำกุศลไปตามกําลังของผู้ครองเรือนบางท่านก็ได้สําเร็จอรหัน อยู่ตอนที่เป็นเคระอขัดอยู่นั้นแหละพอได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบลงก็สำเร็จอรหันเลยก็มีสำเร็จอรหันแล้วมาพิจารณาดูสังขาร น, นี่มันชีวิตนี่มันหมดลงแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปเลยเอย้ถ้าพิจารณาเห็นว่าอายุสังขาร น, นี่ยังมีอยู่ ท่านก็ขอบวชกับพระศาสดาเมื่อได้บวชเป็นพระเป็นเจ้าไปแล้วก็มีชีวิตอยู่สืบต่อไปได้จนหมดอายุสังขารก็จึงดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแต่ผู้ที่สําเร็จอรหันเป็นเคเรหัดนี่มีจํานวนน้อยเดียวไม่มากไอ้ผู้สําเร็จอรหันที่ได้ออกบวชเนี่ยมีมากมาย เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนให้เพึ่งพากันเข้าใจการประพฤติในขมมา ร, รมีนี่นะมันจึงชื่อว่าเป็นการประพฤติที่ใกล้ต่อพระนิพพานไปเลยเพราะว่าพระนิพพานนั่นเป็นสถานที่รองรับดวงกิจของบุคคลผู้เห็นโทษในการมมคุณทั้งหลายผู้เห็นโทษในความผูกพัน อะไรต่ออะไรอยู่กับโลกสงสารอันนี้นะเห็นบ่ามันยุ่งเหยิงมันเป็นทุกข์มากมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีสุขคำว่าสุขก็สุขชั่วคราวไม่ได้สม่ำเสมอไปเลยมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขโลกสานิวาตอันนี้แต่อาศัยกิเลสตัณหามันย้อมจิตใจของคน ทำให้คนชื่นชมยินดีกับรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกสมมุติกันว่าน่ารักไหน่าพอใจต่างๆเหตุที่มันจะยินดีพอใจอยู่กับเพราะมันตกอยู่ภายใต้อานาจของอวิชชาตัณหานี่เองผู้ใดที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาตัณหานี่ ผูนั้นจักไม่หลงไหลไปผูกพันยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกเขาสมมติว่าสวยสว ย, สวยงา ม, งามเหล่านั้นเลยเพราะว่าเมื่อเพิกอวิชาออกจากจิตใจนี้แล้ววิชาคือความรู้บังเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆวันนี้ การล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปทั้งที่เป็นส่วนหยาบ ก, ก็ดีเป็นส่วนปานกลางก็ดีเป็นส่วนละเอียดปณะนีประจงอย่างไรก็ตามมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนสักหน่วยเดียวเมื่ออวิชชาดับไปวิชาความรู้เกิดขึ้นแล้ว มันก็จะมองเห็นความจริงของสิ่งที่ดวงขิตนี่เคยผูกพันมันมานับชาติไม่ถ้วนแล้วน ะ, ะมันจะเห็นแจ้งตามเป็นจริงได้เลยแบบนี้แต่ที่ยังมันยังผูกพันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะมันไม่รู้มันมันหลงบันเมาเหมือนกับคนเมาเหล้านี่แหละเมื่อเมาเต็มกระลาแล้วไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเลย ไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรเลย อ, อยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่รับผิดชอบในการทำการพูดของตนเลยคนเมาเหล้ามันก็ยังพอทำเนามีเวลาส่างได้ง่ายหน่อยส่วนเมารักเมาความยินดีพอใจอยู่ในโลกอันนี้นี่ มันนานหายจริงๆนะอะ่มันนานหายมันเมานานยิ่งกว่าเมาเหล้าอ่ ะ, อะแต่มันเมาวันนี้ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วที่ร่วงแล้วมาก็ยังไม่สั่งเมาสักทีถ้าว่าพูดถึงความหิวมันก็หิวมาแล้วนับชาติไม่ทวนเหมือนกันที่ร่วงแล้วมาจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่อิ่มเนี่ยลองคิดดู <c oughs> แล้วไม่ทราบว่าจะหิวกันไปถึงไหนกันบัดนี้หิวแล้วรับประทานรับประทานอิ่มเปแล้วโนอ น, นก็อยากอีกก็หิวอีกอได้ผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ๆหม่มาอ้าวดีอกดีใจเอามานุ่งมาห่มเข้าไปเหงื่อใครถูกเข้าไปซักเข้าไปเข้าหมองไปทำรุดไป อา้าวนอ น, นึงก็อยากได้คู่ใหม่มาสวมใส่เข้าอีกแล้วใช่ไปใช่ไปก็ทารุดไปแล้วก็เกิดหิวขึ้นมาอีกแล้วอันนี้เปรียบให้ฟังไอ้ความหิวในการมคุณอื่นๆมันก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนกันเลยไม่แปลกกันเลยนั่นแหละมันหิวตงนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ย ถ้าถามว่ามันเที่ยงแล้วมันก็คงไม่หิวแน่ได้อะไรมาแล้วก็เที่ยงย่างยงนไม่มีชํำรุดสุดโทมไม่มีเศร้าหมองเลยอย่างนี้นะมันก็คงไม่หิวกันแหละอ่ามันก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาเลยแต่นี่เพราะเหตุว่ามันเมื่อได้มาแล้วมันรู้จักชํำรุดสุดโทมไปมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอืมก็เลยผิดหวังไปแล้วทีนี้นะความหวังของจีดใจที่มันหลงมันเมาน่ ได้อะไรมาตามชอบใจแล้วก็เนี่ว่าอยากให้สิ่งเหล่านั้นยั่งยืนตลอดไปไม่อยากให้มันแปรผันไปเลยอย่างนี้นะแต่แล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังอ่ะอย่าว่าตั้งแต่วัตถุภายนอกเลยแม้แต่วัตถุภายในคืออัตภาพร่างกายอันนี้เหมือนกันนะเมื่อแรกเริ่มใหม่ๆ ม, มามันก็รู้สึกว่า เป่งปังดีรูปร่างกายอันนี้ผิวพรรณวันน่ะอันนี้ก็พุทธองเป็นสามซอกออกสามวากินได้นอนหลับดีทุกสิ่งทุกอย่างคันเมื่ออยู่นานปีนานเดือนนานวันเข้ามาเท่าไรอออัตภาพนี่มันก็ทุดโทรมไปเรื่อยๆดังที่มันปรากฏทุกคนนี่แหละมันก็ทุดโทมไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะ แต่สำหรับผู้หลงผู้เมาแล้วมันคงไม่ได้ความคิดมันไม่ได้พิจารณาเลยมีแต่เมาท่าเดียวเมาในสิ่งที่ตนต้องการที่ตนปรารถนาตนปรารถนาสิ่งใดใจก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นแหละอยากได้สิ่งนั้นมาเป็นของตนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนอืมไม่คํานึงถึงอัตภาพร่างกาย อันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงจิตนี่เลยนั่นแน่เรือนร่างอันนี้มันจะปีปฏแปรปรวนมันจะแตกจะดับเมื่อไรไม่ได้คำนึงถึงอืม เ, เพราะฉะนั้นคนเรามันถึงละตันหาความอยากไม่ได้เลยเนื่องจากมันไม่ได้มาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาพิจรารณาอัตภาพร่างกายอันนี้ มันไม่พิจรารณาเลยเมื่อไม่พิจารณามันก็ไม่เบื่อนหน่ายเมือม่อเมื่อไม่เบื่อนหน่ายมันก็ไม่คลายความอยากความปรารถนาในโลกสงสารอันนี้บันี้เมื่อเวลาความเจ็บไข้ไม่สบายมาถึงเข้านั่นแหละบันนี้ถ้าที่ตนไม่ได้มาพิจรารณาร่างกายอันนี้ให้รู้เท่ารล่งหน้าไว้มันก็มีแต่ความทุกข์ความโศก มีแต่กลัวตายแบบนี้นะเจ็บหนักเข้ามาแล้วก็กลัวตายแล้วใจมันผูกพันอยู่กับสิ่งใดก็เรียกร้องหาสิ่งนั้นเหมือนอย่างไอผู้หญิงคนหนึ่งแต่ในอดีตการนั่นแหละได้สามีเป็นคนดีแต่สามีเป็นคนเมืองอื่น เมื่อแต่งงานกันแล้วสามีก็หาภรรยามาบ้านตัวเองสามีนั่นเป็นเป็ น, ปนไปศึกษาความรู้ทางการยิงธนูยิงธนูแม่นยำ ม, มากพอพาภรรยาเดินทางมาระหว่างทางกลางดงไปเจอพวกโจรหมู่หนึ่งมีอยู่ห้าสิบคนโจรเหล่านั้นก็จะมาแย่งเอาภรรยา วันนี่ฝ่ายสามีนี่ก็ต่อสู้กับโจนบนันนี้ยิงโจนตายไปแล้วสี่ร้อยสี่สิบเก้าคนตายไปแล้วสี่สิบเก้าคนยังเหลือคนที่ห้าสิบคือนายโจนวันนี้ยิงก็ไม่ถูกกันกอดปล้ำกันเข้าไปนายโจนก็ล้มลงฝ่ายสามีของนางนี่ก็เรียกให้ ภรรยาเอาดาบมาให้วันนี้ภรรยาไปเห็นโจรนาย น, นั้นเข้าเกิดรักให้นายโจร น, นั้นก็ลเลยเอาด้ามดาบให้นายโจรเอาปลายดาบให้สามีของตัวเองนายโจรก็เลยสังหารสามีของตัวเองให้ตายลงไปและวันนี้ฝ่ายหญิงคนนั้นก็ไปเป็นเมียของนายโจร นายโจนนั้นคิดได้แบบนี้เอ๊หญิงคนนี้นะมันเป็นคนหลายใจกับสามีของตนแท้ๆนะยังไม่รักนะมารักคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้ฆ่าสามีของตนเองตายถ้าเราเอาหญิงคนนี้ติดตามไปเมื่อหญิงคนนี้ไปเห็นชายอื่นมันก็จะพอใจกับชายอื่นแล้วก็จะ นัดชายอื่นมาฆ่าเราให้ตายเหมือน ก, นกันกับสามีเก่าของเกนนั่นแหละออว่าแล้วนายโจรก็ลวงภรรยาบอกว่าเรือที่จะข้ามไปถูกฝั่งนู้นนะมันลำเล็กขี่ได้คนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเธอจงอยู่ที่ฝั่งนี้ก่อน เราจะเอาสิ่งของนี่ใส่เรือไปข้ามไปฝั่งโน้นเมื่อไปถึงฝั่งโน้นเราเอาสิ่งของออกจากเรือแล้วเราจะเอาเรือกลับมาเอารับไปภรรยาก็เชื่อสามีสามีข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ไม่กลับมาเอาภรรยาแล้ววันนี้ฝ่ายภรรยาก็เรียกร้องอ้อนวอนคอให้สามี มารับเอาอยัางไงสามีก็ไม่มาเดินหนีไปซ้ำฝ่ายภรรยาก็เรียกร้องหาสามีว่าผัวเอ้ยผัวเอ้ยไปตามริมแม่น้ำนั่นเลยไปตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นนกกาเวาวหรือว่านกดุเวานกดุเวามันร้องว่าผัวเอ้ยผัวเอ้ยนีน่ยนะ นั่นแหละพะมันอะไรผัวตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู้นเอคิดถึงทางผัวเก่าแล้วคิดถึงเรื่องผัวใหม่เอาผัวใหม่ทอดทิ้งแล้ววันนี้ก็คิดถึงผัวเก่าโอ้ยถ้าหากว่าเราเอาด้ามดาบให้ผัวของเราเสียแล้วเราก็จะไม่ได้พัดผาจากผัวเพราะว่าวันนี้ก็ร้องให้คําควรหาผัวอันนี้แหละขึ้นชื่อว่า บุคคลผู้ที่มีใจผูกพันอยู่ในกรรมคุณนี้เป็นจิตใจที่หลอกแหละเล้วไหลใจไม่ตั้งมั่นเลยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วทุกคนนะให้พึ่งพาการฝึก้นจิตใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปเป็นสมาธิจเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไป แล้กวก็จะได้รู้แจ้งความจริงของชีวิตดังพรรณนาให้ฟังมานั่นแหละเราถึงจะพ้นจากทุกข์ภายในวัฏฏสงสารอันนี้ได้ดังแสดงมาขอยุดปิลงเพียงเท่านี้